เราจะมีสติควบคุมตัวเองได้สักขนาดไหนถ้าปรากฏว่าแม้แต่อยู่ในความฝันเราก็มีสติสัมปชัญญะเนึกคิดได้อย่างมีเหตุผลและส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ดีก็ทาให้ไว้ใจได้ว่าในขณะที่เรากำลังจะตายเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะและจิตใจจะต้องสบายได้ไปสู่สุคติแน่นอนบางคนในขณะที่กำลังฝันอยู่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 ส่วนมากก็มีเพียงแค่นี้